ถ้าหากว่าบรรลุง่ายๆพระองค์จะต้องสร้างบารมีขนาดนั้นเลยหรือใช่แล้วต้องใช้เวลาเจริญอริยมรรคมากมายขนาดนั้นเลยหรือถ้าไม่มีองค์ประกอบที่สมควรจริงๆงั้นพระองค์จึงภาคเพียรพยายามจึงได้ตรัสรู้ตรัสรู้พร้อมทั้งรายละเอียดรายละเอียดทุกแง่มุมและขั้นตอนแบ่งเป็นปฏิปทาเลย ว่าเจริญมากแบบทุกขาปฏิปทาเจริญมากแบบสุขาปฏิปทาเจริญมากแบบแหมสุขาปฏิปทาบรรลุง่ายหรือบรรลุยากทุกขาปฏิปทาประเภทบรรลุง่ายหรือบรรลุยากบุคคลสุขาปฏิปทาแบบมีฉันทะแบบมีวิริยะแบบมีจิตตาหรือแบบมีวิมังสาแยกแยกออกหมดทั้งหมดเนี่ยนะจำเนกสิ่งเหล่านั้นโดยรายละเอียดเง่มุมต่างๆเนี่ยนะ หรือเจริญสัมมาทิฏฐิแบบอะไระแบบพิจารณาอริยศาสตร์แบบขันหรือแบบอริยตนะหรือแบบธาตุอันนั้นแง่มุมต่างๆแต่สาระสําคัญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสัมมาทิฐิก็เท่ากับกล่าวอะไรวิปัสสนาอย่างทุกข้อวิปัสสนาทุกประการไล่ตั้งแต่กรรมมัสกาสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปเนี่ยนะรู้เหตุรู้ผลรู้สิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลจำแนกแยกแยะอ่ะ สังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้สัมมาสังกปะสัมมาวาจาถ้าย้อนเอาว่าสติประธานเอาก็สัมมาสตินะนะสมประธานสัมมาวายามัตนะอิทิบาทอิทิบาทก็ก็ตามสมควรเช่นวิมังสาก็คือสัมมาทิฐิจิตจิตก็คือสมาธินั่นแหละกลุ่มเดียวกันแล้วก็ถามว่าฉันทะศรัทธาล่ะ ฉันท่าก็อยู่ในกลุ่มของศรัทธานั่นเองคือสรุปว่าโพธิปักขยธรรมก็คือถ้าแยกแยะโดยนัยะต่างๆก็คือการประชุมของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่ดีพอนำออกจากทุกได้ไหมแล้วผู้ใดสามารถจำแนกวันนี้สัมมาทิฐินี้มิจฉาทิฐิได้บ้างถ้าไม่ใช่วิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าจำแนกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประเท่ากับจำแนกอภิธรรมจำแนกสัมมาวาจาสัมมากรรมปัตะสัมมาอาชีวะเท่ากับจำแ น, ก พ, น, ำ น, ก, ำนกพระวิไนยจำแนกศีลจำแนกพระวิไนยจำแนกสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิเข้ากับจำแนกพระสูตรทั้งหลายต่างๆแต่สาระอัตถะที่สำคัญของคุณธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนสอนเพื่ออะไรสอนเพื่อความรู้ยิ่ง ทำและวิไนทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความรู้ยิ่งไอคุณธรรมที่รู้ยิ่งคืออะไรก็คือโพธิปัจจะธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนเยอะสอนมากสอนอะไรก็จริงเถอะแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้ทุกคนได้รับคืออะไรได้รับสติปัญญานออกไปได้รับสัมมปาปัญญาได้รับอิทธิบาทได้รับอินทรีย์ได้รับปะละได้รับโทษชงได้รับองค์มรรคทั้งหลายได้เจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นคุณธรรมนําออกจาก ทุกเนี่ยนะบางพวกมีแต่เพียงความเลื่อมใสในพระองค์เขาก็ยังไปสุขติโลกสวรรค์ความเลื่อมใสความรักในคำสอนของเขาที่เขาเลื่อมใสในคำสอนของพระองค์หรือเลื่อมใสในความตรัสรู้ดีของพระองค์สิ่งนั้นก็ยังเป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้เขาตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นพวกกลุ่มปะทะป a r าไม่สามารถตรัสรู้ในชาตินี้ได้ แต่ถึงอย่างนั้นศรัทธาของเขาที่มีต่อคำสอนก็ยังเป็นบุญวาสนาให้เขาตรัสรู้ต่อไปในอนาคตตรัสรู้เมื่อไรก็ช่างเถอะขอให้ไม่ได้ตรัสรู้ก่อนปัญหาว่าบางทีอยากตรัสรู้แต่ไม่เคยปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตรัสรู้ให้ตัวเองเนี่ยจะตรัสรู้ได้ไหมโดยเฉพาะตรัสรู้ทุกข์ด้วยการกำนดรู้ก็ไม่สาหัสเท่าไหร่ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละก็ไม่ยากเท่าไหร่ ที่ยากจริงๆเลยคือตรัสรู้อริยมรดยด้วยการเจริญอันเนี้ยตรัสรู้ยากมากถ้าไม่ใช่มีบุญจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่แทบไม่ใช่ฐานะเลยถ้าไม่สะสมบุญมาจริงๆสติมันจะเกิดเองมันไหมปัญญาเนี่ยลอยไว้เองเลยใช่ไหมหนึ่งถ้าไม่ใช่สายพันธุ์แห่งปัญญานําเกิดนะอยากคิดว่ามันจะมีปัญญาอะไรมากมายปริมาณมันจํากัดคุณภาพของปัญญาเนี่ยมันจะไม่คนในโลกนี้มันจะไม่ฉลาดเท่ากันเด็ดขาด ถ้ามันฉลาดเท่าคันเนี่ยมันจะมีทั้งวิศวะทุกคนมีหมอเป็นหมอได้ทุกคนเป็นนักบินได้ทุกคนเป็นนายกรัฐมนตรีได้ทุกคนเป็นผู้บริหารโลกได้ทุกคนระวังกันเถอะแต่เรื่องปัญญาที่นําเกิดไม่เท่ากันถ้าไม่เคยทําบุญสั่งสมปัญญามาแล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมานําเกิดสหิตุกะปัญญาเนี่ยนะสหาชาติกะปัญญาถ้าไม่มีสเสหิตุกะปัญญานําเกิดไม่ใช่สหาชาติกะปัญญา ยังไงก็ฟังวิปัสสนาปัญญาไม่เข้าใจเขาบอกว่าแค่ฟังยังไม่จะรู้เรื่องเลยจะกล่าวไปยัยว่าเจริญสัมมาทิฏฐิญาตที่เขบอกว่าแม้แต่ฟังยังเข้าใจยากจะกล่าวไปยัยถึงการปฏิบัติถ้าไม่ใช่วิสัยที่สั่งสมปัญญามาตั้งแต่อดีตชาติมาเพียงพอนะแม้แต่ฟังก็ยังเข้าใจยากว่างั้นเถอะไม่เชื่อก็เออเนี่ยไปเปิดสอนพระไตรปิฎกท้องสนามหลวงดูเถอะนะ นานๆก็จะเหลือแต่คนสอนนะนอุ้ยประชากรที่ท้องสนามหลวงนี่น้อยสัเมื่อไหร่ใช่ไหมหนักๆเข้านะคนสอนก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้เพราะก็ไล่ที่นะเขาไม่ให้สอนเอนกันเพราะฉ ะ, ะไรเพราะว่าสั่งสมปัญญามาไม่เท่ากันปัญญาเนี่ยเนื่องจากสั่งสมมาไม่เท่ากันมันจึงเรียนได้ไม่เท่ากันอันนี้ต้องยอมรับความแตกต่างเหมือนต้นไม้ในโลกมีตั้งแต่แบบแหมหญ้าฝอยอะนะหญ้าลก ฝอยจนยันไม้ไม้ท่อนใหญ่ๆเนี่ยนะเลยหลายคนโอกรันมันมีสายพันธุ์ต้นไม้หลายประเภทใช่ไหมตั้งแต่หญ้าฝอยเล็กๆไปจนถึงต้นไม้ที่ใหญ่แบบแม่รถข้าวลอดเข้าไปได้ใหญ่มากเพราะงั้นเนี่ยความหลากหลายทางอะไรทางพืชฉันใดความหลากหลายของสัตว์ก็ฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายหลากหลายทั้งโดยสรีระและโดย ปัญญาโดยสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนั้นถ้าไม่ปลูกฝังบุญที่จะให้ปัญญานําเกิดนะยากไม่ได้ขู่เล่าให้ฟังถ้าไม่ได้เพาะมาเมล็ดพันุปัญญาเอาไว้แล้วจะเอาปัญญาตัวไหนนําเกิดชาติหน้าขอให้บรรลุธรรมแต่ชาตินี้ไม่เคยทําบุญที่จะให้มีปัญญานําเกิดปัญญามันก็ไม่นําเกิดหลอกเชื่อเหรอเนี่ยนะเพราะอะไรมาเมว่าแม้ตัวจริงขี้เหรขีเหรเนี่ยไปแต่งรูปให้มันหลอได้ยังไงมันยากวันนั้นเนอะ เขามากเลยไม่ค่อยถ่ายรูปนั่นนะก็แต่งยังไงมันก็ไม่งามเหมือนกันนะดูแล้วก็น่าเกลียดอยู่ดีมันนี่ฉันใดก็เหมือนกันถ้าไม่ได้ทำเหตุมาดีๆนะวิบากที่ได้รับในอนาคตไม่ดีหรอกมันทำเหตุยังไงเหตุกับผลเหตุกับผลมันการเจริมมัสมีองแปดเนี่ยนะในคาถาหนึ่งที่ยกมาที่พระพุทธโคสาจารย์มาเรียบเรียงเป็นวิสุทธิมักมนในชตาสูตร นะสีเลปฏิทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัจะภาวะยังอาตาปีนิปโกภิคุโสอิมังวิชตาเยชตังเลยนะเขาบอกว่าศีเลปฏิทายะนโรสปัญโยไอ้นโรสปัญโยสปัญโญตัวนั้นแปลว่าสหีตุกะปัญญาหรือสหัชาติกะปัญญามีปัญญาตั้งกะอ่อนแต่ออกว่างั้นเถะมีปัญญาตั้งเมื่อไหร่ตั้งอยู่ในคันแม่ก็ฉลาดแล้วเพราะอะไรเพราะปฏิสนธิปัญญาว่างั้นเถะ เป็นเป็นอะไรเป็นเหตุหอะ น, นะเป็นเหตุอ่ะนะเหตุตูเหตุตัสัมปยจจุตการนางธรรมานางตังสมุทฐานานัจะรูปานางังเหตุปัจเจเนะปัจยโยเนี่ยไอเหตุปัจจัยเนี่ยเขาพูดตั้งแต่อยู่ในคันรู้นเะนี่ยนะตั้งแต่อยู่ในคันปฏิสนที่ปั๊บขึ้นมามีปัญญาไหมเหตุปัจโยเหมือนนน่ยแล้วอันหนึ่งไอต่อไปเนี่ยนะถ้ามีปัญญาตั้งแต่เกิดเนะี่ยปัญญาตัวนั้นเป็น อ, อินเดียปัญญ์ปั จ, จโยก็คือเป็นปัญญินีก็คือสรุปว่าบอกว่ามันมีปัญญาตั้งแต่เกิดนะใส่ชื่อภาษาบาลีใส่ได้ใส่เป็นใส่ถูกเรียกชื่อถูกไม่ถูกกรช่างแอ่สรุปว่าขอให้เกิดมาฉลาดเป็นใจได้ก่อนอันดับแรกสองให้มีความฉลาดที่ได้ฟังคําสอนถ้าพื้นฐานคนไม่ฉลาดเนี่ยนะฟังยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องอันมีมีอันคนอย่างนีไอ้คนคนฉลาดแต่มันแกล้ ง, งโง่มันมีคนโง่แกล้งฉลาดไม่มีใช่ไหม พระโยมก็เลา่างนั้นนะทุกคนก็จะพูดอย่างนี้บอกว่าคนโง่แกล้งฉลาดไม่ได้ก็ลองโง่แกล้งฉลาดดูสิคนไม่เป็นแกล้งเป็นไม่เป็นหลอกเธอแต่คนฉลาดแกล้งโง่ได้ไหมเขาบอกว่าเออเนี่ยธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยมันยากย่างั้นอย่างนี้คนไม่มีปัญญาเรียนไม่ได้ไอ้คนพอจะเรียนได้มันสวมพรบเข้าไปบอกเออเราก็โง่เหมือนกันอย่างนั้นไม่เคยอ่านนะเขาบอกปัญญาเรามันน้อยไม่เคยหยิบเลยเลยนะหรือหยิบก็ไม่ได้อ่านเท่าอ่านหนังสือพิมพ์สักหน่อยเนี่ยนะ ก็แล้วก็บอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องก็อ่านให้มันเท่าหนังสือพิมพ์ก่อนเถอะนะหลเรื่องนะถ้าอ่านได้เท่านั้นนะอู้ยได้ดิบได้ดีไปตั้งนานแล้วนี่ยนะพูดถึงเรื่องนะพ่ออะไรรู้ว่าอายุก็มากแล้วตาก็หลอกประจําสุขภาพก็มไม่ค่อยดีถ้าไม่เรียนตอนนี้ก็ไม่รู้ไปรอเรียนชาติไหนก็ไม่ทราบชาติหน้ามีศาสนาให้เรียนหลังเรื่องอนะมันทำเราไม่พยายามขวนขวายนะชาติแนะม้กระทั่งว่าปัญญานําเกิดเราก็ไม่มีเมื่อไม่มีปัญญานําเกิด พระพุทธถึงเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเราก็นั่งทำตาเปรียบๆไม่รู้พระพุทธเจ้าตรัสอะไรเนี่ยนะก็เคยเคยได้ยินไหมนั่งขีดแผ่นดินเลยนั่งขีดแผ่นดินเนี่ยนะอะไรเพราะอดีตชาติไม่ได้สั่งสมปัญญามามัวแต่เกิดเป็นไส้เดือนเหมือนกันอีกคนหนึ่งเนี่ยมานั่งนับดาวท้องฟ้าเพราะมาเรียนสนใจแต่โหราศาสตร์อยู่นั่นแหละพระสุขเข้าพระเสาแทรกอะไรก็นั่งขี้แต่เรื่องดาราศาสตร์ก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องปัญญาเท่าที่ควรจะเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยนะมัวแต่นับเมล็ดพันธุ์ต้นไม้อะนะ แปลว่าอดีตชาติเกิดเป็นลิงอะไไต่ต้นโน้นถึงต้นนี้คิดถึงแต่พืชพันธุ์ต้นไม้อย่างเดียวก็เลยลืมคิดเรื่องปัญญาอีกคนหนึ่งก็เป็นนักหลับเนี่ยนะครับมั่งอุยง่วง ง, ว ง, ง่วงอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นง่วงเพราะสั่งสมปัญญาไว้น้อยไอ้คนหนึ่งเป็นบัณฑิตติดตามเรื่องได้ตลอดเลยเขาพูดว่าอะไรเป็นอะไรเขามีปัญญาทําไมเขามีปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นสังขารธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพราะขึ้นบ่มขึ้น ปลูกขึ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่มีมันเองลอยๆไม่ใช่ถึงไม่ไม่ไม่ไ ม, ад, ไม่ปลูกฝังขึ้นในชาตินี้ก็ปลูกฝังไว้ในอดีตชาติสรุปว่าเคยสร้างปัญญามาพระอนนถ้าไม่สร้างปัญญามาแสนกับท่านจะฉลาดเท่านั้นไหมพระสารีบุตรถ้าท่านไม่สร้างปัญญามาแสเออหนึ่งอสงไขยแสนมหากับท่านจะฉลาดเท่านั้นไหมพระพุทธเจ้าถ้าไม่ปลูกต้นปัญญามานะท่านจะฉลาดเท่านี้นไหมเอาต้นปัญญาพระพุทธเจ้าใช้เวลาปลูกนานที่สุดเนี่ยนะ คือปัญญาบารมีสร้างปัญญาบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับอันนี้นี่เฉพาะนับแต่วันพุทธพยกรมานะก่อนหน้านั้นไม่พูดถึงเพราะต้นปัญญาปลูกต้นปัญญาสแสวงหาปัญญาเหมือนพิสุบินทบาทสแสวงหาอาหารคือคือทำไมไม่เปรียบอย่างอื่นรู้ไหมทำไมต้องเปรียบพระพิสุที่บินทบาทหาอาหารเพราะพระต้องบิณทบา ท, ทุกวัน โดยมากนะโดยมากต้องบินธบัต ท, ทุกวันวานนั้นไปธบัตแล้วเอาอะไรฉันนะเนี่ยนะหสะสมอะไรนะเก็บอาหารค้างคืนก็ไม่ได้มันยอมไปถาไวายอาหารเผื่อว่ารับประเคนไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านค่อยฉันเองกันแล้วกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเก็บอาหารค้างคืนก็ไม่ได้ันก็ต้องบินทุกวันมีเท่าไหร่ก็ต้องสละไปหมดนั่นแหละมันเวน้นถ้าเป็นอาหารยาบางอย่อาอาหารบางอย่างถ้าเป็นน้ําปานน่ก็รับได้ไม่เกินสว่างเนี่ยนะสว่างไปแล้วก็หมดอายุแล้วเนี่ยนะก็สละออกไปถ้าบางอย่างก็ เก็บได้แค่เจวันก็สละออกไปเช่นพวกกลุ่มผสมน้ําตาลเนี่ยนะจะได้ไม่เกินเจวันเนยใสเนยข้นน้ำมันน้าพึ่งน้ำอ้อยก็ต้องสละล้ไม่เกินเจ็วันก็ต้องสละแล้วเกินกันนั้นมีโทษนะนะแล้วก็บางอย่างก็ยาบางตัวก็รักษาได้ เ, เก็บได้ตลอดชีวิตก็จริงแต่อายุมันหมดตั้งนานแล้วเนี่ยนะคำว่าหมดอายุไข่ตั้งนานนะใช่ไหมอย่างเช่นพาราเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์เก็บได้ตลอดชีวิตแต่อายุยามันไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตที่ไหนนะคือบางอย่างนี่มันเป็นอย่างนั้น ที่ต้องแสวงหาทุกวันในชะเมื่อต้องแสวงหาทุกวันบอกหาปัญญาแบบนั้นนะ่ะต้องหาปัญญาต้องหาทุกวันต้องเกิดใหม่ๆเนี่ยนะสะสมปัญญานะนะี่ยแหละสีอสงไขยแสนกับเหมือนพระพิสุทธิ์เที่ยวปินทบาตเนี่ยนะทุกวั น, ท, วนทุกวันสร้างสมปัญญาเนี่ยนะกว่าจะเติบโตเต็มที่เบ่งบานเหมือนเป็นสัพพัญยุตยานเป็นสัพพัญญูบุคคลเป็นพระตะถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญา แล้วก็สิ่งที่เป็นอาชินตยเนี่ยมีหลายอย่างไอ้นหนึ่งอะไรบ้างเรื่องโลกนี่เป็นอาชินตยใช่ไหมนักดาราศาสตร์ทั้งหลายเขาออกมาพูดบอกอู้ใครไปคิดเรื่องท้องฟ้าเรื่องจั ก, กรวาลนะเพี้ยนไม่มีจบมีสิ้นหรอแต่ว่ามันเป็นอาชีพของเขาเขาขวนขวายวิจัยไปอย่างนั้นแหละมันไม่มีจบมีสิ้นจริงๆเนี่ยนะอย่างจั ก, กรวาลของเราเนี่ยอยในพุทธศาสนาก็บอกแล้วทิศตะวันออกทิศเดียวเนี่ยนะคุณเอาทรายมาเลยเอาทรายเนี่ยทั้งทะเลแล้วมาจักรวาลข้างหน้านะ หนึ่งจักรวาลเอาทรายหนึ่งเม็ดนะนะจักรวาลที่สองทรายหนึ่งเม็ดจักรวาลที่สามทรายสามเม็ดบอกทรายหมดก่อนจักรวาลยังไม่หมดเนี่ยนะอันนี้ทิศเดียวนะแล้วทิศใหญ่ๆมีกี่ทิศอ่ะก็วัดไปตามนั้นแล้วจักรวาลมันสุดที่ไหนล่ะสิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่มีที่สุดใช่ไหมสองสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามจักรวาลต่างๆนับแล้วไม่มีนับหมดไม่มีหมดมีสิ้นแล้วต่อไปอันที่สามอันนะ อาจินตายก็เรื่องผลของกรรมทำหนึ่งครั้งแนละ้วมันจะให้ผลเท่าไหรที่ไหนอย่างไรและเมื่อไร่บอกได้ไหมอย่างที่เรา <c oughs> ฟังธรรมหรือสวดอรหังหนึ่งคำขึ้นมาเนี่ยนะรู้ไหมว่ากรรมให้ผลที่ไหนและเมื่อไหร่อย่างไรถ้าไม่ใช่วิสัยพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วยากมันบางอย่างเนี่ยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าแล้ววิสัยอ น, นันต์เนี่ยมันอยู่ๆแล้วมันโตขึ้นมาเองใช่ไหมไม่สั่งสมมาทั้งนั้นเลย ปัญญาระดับนี้ฉันใดหรือปัญญาที่รู้อริยสัจก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่ได้รับการสั่งสมได้รับการเพราะได้รับการบ่มได้รับการปลูกขึ้นสร้างขึ้นเจริญขึ้นทําให้มีขึ้นอย่างที่เราสวดมนต์ประจําบอกว่าในบรรดาสังขารธรรมสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่จะเสมอด้วยอริยมรรคไม่มี อริยมรรคเนี่ยเป็นเรื่องของการปรุงแต่งสร้างขึ้นทั้งนั้นเลยพวกเราก็ต้องมาพยายามที่จะมีอัธยาศัยในการสร้างสร้างอะไรสร้างอริยสร้างองค์มรรคแต่ละตัวเกิดขึ้นในใจแล้วตั้งอัธยาศัยเพื่อการตรัสรูต้ ต, ต่อต่อไปในอนาคตวิธีการเหล่านั้นถ้าไม่ใช่อาศัยบุญพระพุทธเจ้าจะเป็นไปได้ัหม